จเจริญพรมีใครถูกหวยบ้างถูกไหมถูกกินหวยเป็นอบายมุกเป็นปากทางลงอบายมุขะแปลว่าปากปากทางหรือว่าเป็นช่องทางที่จะไปสู่ ที่ใดที่หนึ่งอย่างศาลานี้มีมุกข้างหน้าเป็นปากทางเข้าศาลาศาลาบางศาลาก็จะมีมุกเดียวบางศาลามีสามมุกบางศาลามีสี่มุกสี่มุกก็เป็นจตุรมุกปากทางเข้าศาลาอบายมุกปากทางลงอบายไกรชอบ อบายามุขก็ชอบที่จะลงอบายแล้วส่วนใหญ่จะชอบลุ้นชอบลุ้นและคุ้นกับการที่เสียพอได้แล้วก็ดีใจล้วได้มานะรักษาไว้ไม่ค่อยได้ใช่ไหมเงินที่ได้มานี่ก็จะใช้จ่ายหมดไปอย่างเร็วแต่ก็ยังชอบลุ้น ชอบหวังฟลุกคนโดยมากจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เรื่องหวยก็มักจะเกี่ยวพันกับพระเมื่อก่อนนี้นะเดี๋ยวนี้ชักมีคนอื่นแย่งงานพระไปแล้วนะใบหวยนนนะคนมักจะเข้าใจว่าพระจะให้หวยได้ก็ขอบใจที่แย่งงานไปดีแล้ว เคยมีพระมาเล่าให้ฟังบอกว่าไปผ่าฝีมาฝีที่ก้นพระเป็นฝีได้ไหมได้ต้นฝีที่ก้นตอนนั่งเจ็บก้นอยู่นี่มีเด็กมาหลวงพ่อหลวงพ่อว่าไงแม่ให้มาถามว่า มอคืนฝันอะไรบ้างโอ้ไม่ฝันหรอกเจ็บก้นครับแค่นี้แหละกลบับกลับบ้านไปบอกแม่แม่ก็ถามเป็นไงอาจารย์ท่านว่างไงอาจารย์ไม่ว่าไงอาจารย์แบอกแค่ว่าเจ็บก้นอ๋อได้ละเจ็ดเก้าลำบากนะพระนะแล้วพระที่มักจะ ถูกขอหวยหรือว่าเฝ้าติดตามเนี่ยยิ่งเป็นพระกรรมฐานเนี่ยนะจะรู้สึกว่าขลังใช่ไห ม, มต้องไปหาให้ได้เลยโยมเขาเล่าให้ฟังอนี่เรื่องโยมเล่าให้ฟังนะเขาก็ติดตามครูบาอาจารย์รูปหนึ่งเคารพมากเลยเป็นครูบาอาจารย์กรรมฐานนี่แหละแต่ก็ถูกสั่งสอนอยู่อย่างเงี้ยว่าอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นหวยอย่าไปเล่นหวยไม่กล้าขอ ไม่กล้าพูดคุยเรื่องขอหวยกับหลวงพออ่อองค์นี้เลยจนมีอยู่ครั้งหนึ่งทนไม่ได้ <c oughs> ไปคุยคุยเรื่องหวย <c oughs> ก็รบเรา้าเซาซีจะขอเนี่ยไม่เคยขอหลวงพ่อเลยทําบุญกับหลวงพ่อมานานรับใช้หลวงพ่อมานานหลวงพ่อหน้าจะอะไร อนุเคราะห์บ้างคล้ายๆทวงบุญคุณไงไม่รู้นะหลวงพ่อท่านก็ตอบมาว่าเอา้าบอกบ้างก็ได้โหใจพองเลยนะว่าโอ้ข่าวนี้หลวงพ่อจะบอกหลวงพ่อไม่เคยพูดเรื่องหวยเลยแล้วก็มาข่าวนี้คล้ายๆจะให้กับตัวเองนี่เห็นว่าเป็นโยมนะเนี่ยจะบอกสักครั้งหนึ่งจอดจอ ตั้งใจฟังหลวงพ่อก็บอกจอจอโอ้ตรงเลยไหมจอจอี่ชัวร์เลยใช่มั้ยมีอะไรบ้างอะ่ะจอจอชัวร์อยู่แล้วก็ไปซื้อจอจอเจ็ดเจอจอจะออก77็ดเจมใช่ไหมไปซื้อเสร็จหวยออก2 3 ไม่ตรงเลยสักตัวหนึ่งกลับหน้ากลับหลังก็ไม่ตรงเลยกลับไปโวยน่ <c oughs> มีโวยด้วยนะหลวงพอ่อใบอะไรมาเนะี่ยจอจอเจอ็ดเจ็ดไม่เห็นออกสักตัวเึงอะไรฉันบอกอะไรจอจอเออแล้วรู้แม่จอจ อ, จอคืออะไรอ้าวไม่ใช่เจ็ดเจ็ดเหรอจองจาม <c oughs> โอ้ <c oughs> <c oughs> เล่นอย่างนี้อาตมาก็ใบได้นะเงื <c oughs> ่อนนี้ออกจอจออืม <c oughs> <c oughs> <laughs> สามตัวก็ได้จอจอจอ่อ <laughs> ข้าวก่อนเคยนัดกันไว้ว่าจะมาลองขยายความใครมาคราวที่แล้วบ้างใครไม่ได้มาคราวที่แล้วบ้างใครมาครั้งแรกบ้างโอ้คร <laughs> าวที่แล้วเนี่ย ทิ้งท้ายไว้ว่าเออเราน่าจะพูดถึง CD ไม่ใช่ถึง CD นึกถึงออคำสอนของสมเด็จพระยานสังวรคืออ่านคำสอนของท่านแล้วประทับใจคาดว่าโยมไปฟังแล้วจะประทับใจด้วยแล้วเท่าที่ฟังก็เรียออะไรฟีดแบ็จากการคนเราไปฟังแล้วเนี่ยนะฟนะีดแบมาหน้าประทับใจมากเลยบอก โอเสียงท่านอาจารย์ดีมากเลยเราต้องการจะให้ฟังธรรมะบอกเสียงดีมากเลยฟังไม่ทันจบแพรกเลยหลับแล้วบางคนก็แม่ป่วยแม่ป่วยเปิดให้แม่ฟังดีใจมากเลยซีดีของท่านอาจารย์เนี่ยได้ผลแม่หลับไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจแต่เนื้อหานะใครใครฟังแล้วบ้างฟังแล้วนะ ใครไม่ฟังวันนี้ยังมีหรือใครยังไม่ได้วันนี้ยังมีแจกแต่จะเน้นเน้นเนื้อหาเท่าที่แง่ ม, มุมเท่าที่จะจะระลึกได้อาตมาไม่มีความสามารถที่จะไปอะไรทำให้มันดีกว่าสมเด็จท่านหรอกแต่ประทับใจในส่วนไหนก็จะพูดส่วนนั้นบ้างให้มากขึ้นชื่อเรื่องที่ท่านตั้งชีวิตนี้น้อยนะัก หมายถึงชาติเนี่ยมันน้อยอดีตชาติเรามีมากมายตลอดสังสรารวัตที่เราเคยเกิดเคยตายกันมาเนี่ยนับชาติไม่ทั่นเทียบกับชาตินี้แล้วนิดเดียวถ้าไม่นับอดีตเทียบชาตินี้กับอนาคตสําหรับพวกเราหลายคนก็ยังนถือว่านิดเดียวเพราะอนาคตของเราเนี่ยยังเกิดตายอีกนับชาติไม่ทั่นเหมือนกัน พวกเราน่าจะสั้นแล้วหละคนที่เขาไม่สนใจที่จะมาปฏิบัติธรรมนะอีกยาวยังเกิดตายอีกยาวยังรู้สึกว่ายังไม่รู้สึกเลยว่ากิเลสมันมีโทษมากแค่ไหนยังรู้สึกว่ามีกิเลสมาจะต้องสนองกิเลสมีตัญหามาจะต้องสนองตัญหาคือมีอะไรมาก็จะสนองสิ่ง น, นั้นไม่คิด ว่ามันมีผลร้ายแรงยังไงกับกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นแต่พวกเราเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วว่ากิเลสเนียมีมีปัญหามากะฉะนั้นชีวิตอนาคตก็อาจจะสั้นกว่าคนอื่นที่เกิดตายเกิดตายเนะี่ยในสังสารวัต ต, ต่อไปเนี่ยนะนะอาจจะสั้นกว่าคนอื่นแต่ก็เทียบกับชีวิตชาตินี้แล้วก็ยังอนาคตยังยาวนะชีวิตนี้ก็ยังน้อยน้อยมาก แต่สคัญชีวิตนี้สำคัญเพราะว่าจะเป็นเหมือนเป็นหัวเรียวหัวต่อเพราะว่าเราเลือกได้เราเลือกได้ว่าจากชาตินี้จะไปไหนอดีตเกิดมาจากไหนเกิดมาเป็นอะไรเกิดมาแล้วเลือกไม่ได้ <c oughs> พวกเราอาจจะมาจากนรกก็ได้อาจจะมาจากเดรัฉานก็ได้อาจจะมาจากเปรตก็ได้ อาจจะมาจากเทวดาก็ได้อาจจะมาจากพระพรหมก็ได้หรืออาจจะมาจากมนุษย์ก็ได้เลือกไม่ได้ <c oughs> ไอตอนจะมาเกิดเป็นคนก็เลือกพ่อเลือกแม่ไม่ได้บางคนอยากเกิดในวังดูแล้วใช่แน่เลยมาแล้วกลายเป็นข้างๆวัด <c oughs> <c oughs> เห็นยอดแหลมๆไม่ใช่ <c oughs> กลายเป็นเจดีในวัดอนะไรอย่าง้ คล้ายๆกันไม่ใช่คิดว่าทรงไทยในใช่แล้วไม่ใช่บางคนเลือกไม่ได้แล้วหลายคนเลือกไม่ได้มีแต่ผู้มีบุญมากๆเท่านั้นที่จะเลือกเกิดอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอนเป็นเทพบุตรจะมาเกิดเป็นเจ้าชายศรทธะเนี่ยเลือกเลือกที่เกิดเลือกเวลาเกิดเลือกพ่อเลือกแม่เลือกเวลาเลือกสถานที่เลือกได้ ความมหากรุณาของท่านเลือกมาเกิดเอายุคที่แย่สุดแล้ว <laughs> พระพุทธเจ้าองค์ก่อนเลือกเกิดในยุคคนอายุ8 0ด0 0ปี1มื่นปี 5,000 ันปีอะไรเนี่ยนะนะคือคนที่กิเลสอย่างน้อยกิเลสน้อยก็สอนง่ายกิเลสมากๆเนี่ยนะยิ่งมากยิ่งสอนยากเพราะมันดือ้อ แล้วก็มีการแหว้งตัวกิเลสมันแว้งได้นะมีการโต้เถียงมีการเขาเรียกอะไรลูกเล่นหรือว่าเล่เหลี่ยม <c oughs> มีเล่เหลี่ยมในการปฏิบัติธรรมมีเล่เหลี่ยมมากเ <c oughs> จ้าเล่แต่ท่านให้อะไรเส้นสุดท้ายของคนที่กิเลสมากๆเลยนะท่านดูจากอายุคน คนอายุมากหมายถึงว่าอายุไขของคนเฉลี่ยในยุคนั้นนะยุคใดที่คนมีอายุโดยเฉลี่ยมากๆเช่น 80,000 ปีหรือบางทีเป็นแสนปีหรือกว่านั้นอีกก็มีสแสดงว่าคนในยุคนั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วกิเลสน้อยมีกิเลสน้อยมีบาปอากุศลน้อยบาปอากุศลมากขึ้นเท่าไหร่อายุยิ่งน้อยลง ยุน้อยลงน้อยลงน้อยลงบาปอากุศลของคนอายุร้อยปีเมื่อเทียบกับคนอายุ8ปด0 0ื่ปีเทียบกันไม่ได้เลยนะคนอายุ8ปด0 0ปีเนี่ยแทบไม่ต้องพูดเรื่องศีลเลยสอนเรื่องธรรมะอย่างเดียวให้เข้าสู่การปฏิบัติธรรมเลยเรื่องศีลเนี่ยแทบไม่ต้องพูดนั้นสอนง่ายแต่คนยุคอายุร้อยปีเนี่ยต้องพร่ำสอนเรื่องศีลให้มาก <c oughs> เพราะว่า กิเลสเยอะบาปอากุศลเยอะตัวยั่วเยอะแล้วก็ใจมักจะไม่ค่อยมั่นคงมักจะไหลไปตามกิเลสไหลไปตามสิ่งที่ยั่วมีสิ่งสวยงางามไมา้เห็นก็เกิดตัณหาง่ายเกิดราคะง่ายจิตไหลไปหาสิ่งสวยงามและปรารถนาจะได้มาได้มาถูกมั่งไม่ถูกมั่งก็อยากจะไดอย่างงี้นะต้องต่อสู้ ถ้าไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเนี่ยนะการหักห้ามใจเนี่ยแทบจะไม่มีในการที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในยุคที่เลือกมาเกิดในยุคที่คนอายุร้อยปีเนี่ยนะต้องมาต่อสู้กับกิเลสของคนเยอะแยะไปหมดเลยเนะี่ยแต่ท่านก็เลือกนี่เป็นขีดสุดท้ายคนอายุร้อยปีเนี่ยนะเป็นขีดสุดท้ายแล้วของของเวลาของมนุษย์ถ้าคนที่อายุโดยเฉลี่ยในยุคที่คนอายุ น้อยกว่านี้กิเลสมากขึ้นแล้วเนี่ยไม่ได้ละสอนไม่ได้เกินสอนโลกจะวุ่นวายมากมากเกินไปทุกมากเกินไปกิเลสมากเกินไปมันจะแวงมันจะคอยแวงแ้งละมันจะไม่ค่อยเชื่อแล้วเพราะนั้นเหมือนเป็นยุคสุดท้ายที่พระเจ้าจะมาจะมาเกิดมาอุบัติพระโพธิสัตว์มาอุบัติแล้วก็มาตรัสรูปเป็นพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่ายุคนี้แหละ คนกำลังเดือดร้อนต้องมาช่วยนี่นะเป็นพระมหากรุณาของพระองค์ไม่หวั่นความลำบากท่านก็เลือกมาอย่างนี้เลือกได้คนที่มีบุญมากๆจึงจะเลือกเลือกมาเกิดแม้ลำบากพระเจ้านะแม้จะมาในยุคที่คนมีกิเลสมากแม้จะลำบากในการสั่งสอนยอมยอมมาเพียงแค่ให้สม กับความตั้งใจที่ตั้นตั้งเลยว่าเราพ้นแล้วจะให้คนอื่นพ้นด้วยเราถึงแล้วจะให้คนอื่นถึงด้วยหมดกิเลสแล้วจะให้คนอื่นหมดกิเลสด้วย<ม>ยิ่งมีกิเลสมากถึงยุคสุดท้ายแล้วที่จะสอนได้ก็เอาก็มาพวกเราเนี่ยอยู่ในยุคที่คนชักอายุสั้นลงแต่อาศัยอนิสงฆ์จากที่พระองค์ได้สอนเอาไว้แล้วเปิดช่องทางเอาไว้แล้วยังไปได้อยู่ ถึงแม้ยุคนี้คนจะอายุสั้นมากเท่าไหร่เดือนนี้เฉลียะะลย่ยเท่าไหร่เจห้าเดืประมาณถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ า, ามานะหมดหวังเดอนนี้พระพุทธเจ้าพระองค์มาเปิดทางเอาไว้แล้วพวกเราต้องรักษาเส้นทางนี้ไว้นะพยายามเดินให้ให้ทางชัดๆหน่อยช่วยๆกันเดินให้ทางชัดเคยไปป่ากันไหมไปป่านนะมันจะมีต้นไม้เยอะทางก็เยอะมากเลยทางคนมั่งทางควายมั่ง ทางหมูป่ามากเนี่ยนะทางที่เราจะเดินและมั่นใจเนี่ยจะเป็นทางที่ชาวบ้านหรือนายพรานก็เดินไปแล้วก็จะทำเส้นทางแล้วก็เอามีดเนี่ยเตะเตะตามต้ตตตตตตนไม้เป็นเครื่องหมายบอกถ้านายพรานไม่ค่อยเดินหรือว่าชาวบ้านไม่ค่อยเดินเส้นทางนั้นนะเราจะเดาไม่ได้เลยว่าจากตรงนี้แล้วเครื่องหมายหน้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเส้นไหน บางทีเราก็อา จ, จไปเดินตามรอยหมูป่าเป็นตามรอยควายเดินตามควายเดินตามหมูเดินตามช้างอะไรอเงี้ยหลงไม่เห็นรอยเท้าของคนคนหลงป่าก็เพราะว่ามันไม่เห็นรอยเท้าของคนที่เขาเดินอยู่ก่อนแล้วเพราะไม่ค่อยมีใครเดินพวกเราถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยสอนครูบาอาจารย์ที่ท่านเดินถึงแล้วเราก็จะ สเปสปะยากลําบากมากในการที่จะเดินไปสู่ทางพ้นทุกข์นี่นะก็อาศัยที่ว่าพระพุทธเจ้ า, เ, าเปิดทางไว้แล้วแล้วมีครูบาอาจารย์มีพระสงฆ์สาวกท่านเดินตามยังรักษาเส้นทางนี้ไม่ได้ยังมีร่องรอยร่องรอยของของผู้ที่เดินไปถึงฝั่งถึงทางพ้นทุกข์เราเห็นร่องรอยนั้นแล้วรีบๆเดินรีบๆเดินก่อนที่ ทางยังคงอยู่นั่นแหละแต่ว่ารอยหายพอรอยหายไปแล้วถึงแม้จะมีทางแล้วมันมีทางหลายทางะแล้วเราจะตัดสินใจไปทางไหนส่วนใหญ่แล้วมันไม่ค่อยไปตามทางที่จะไปสู่ทางพ้นทุกข์มักจะไปทางที่ตามใจตามอิเล็กทางยังคงอยู่นะทางมีอยู่แต่ไม่มีคนเดินทำไมถึงบอกว่าทางมีอยู่เพราะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ยังมี คนที่สร้างบา ร, รมีมาพอหมดศาสนานี้แล้วนะยังมีพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรุ้ได้แสดงว่าทางก็ยังมีแต่คนหาไม่เจอคนที่สร้างบา ร, รมีมาจึงจะคนพบได้ด้วยตัวเองแต่พวกเราไม่ได้สร้างบา ร, รมีมาระดับนั้นก็ต้องคอยฟังคอยเงียหูฟังเป็นพวกสุตตะพุทธะไปก่อนผู้รู้ด้วยการฟังรู้ว่า วิธีที่จะให้พ้นทุกไปยังไงแล้วก็ไปตามพอถึงแล้วจึงเป็นสาวกสังโฆเป็นอนุพุท ธ, ธะเค <c oughs> ยพูดถึงเรื่องพุท ธ, ธะหลายแบบนะพุท ธ, ธะ3มแบบจำได้ไหมพุท ธ, ธะแบบแรกสัมมาสัมพุท ธ, ธะตัดสรู้เองโดยชอบแบบที่สองปัจเจกพุท ธ, ธะตัดสรู้เองเหมือนกันแต่ว่าไม่สอนใครไม่ใช่ว่าไม่เก่งไม่ใช่ว่าไม่รู้ รู้แต่ว่าไม่มีใครมีปัญญาพอจะมาเป็นลูกศิษย์ดูหน้าแล้วสอนแค่ให้ทานพอสอนแค่นี้สอนเหมือนกันนะแต่สอนให้ทานแต่ไม่มีลูกศิษย์ที่จะตัดสรู้ตามสอนให้ทานสอนให้ทําสมาธิบ้างแต่ดูแล้วได้แค่นี้เอาแค่นี้แหละบางทีก็ไปบิณฑบาตให้เขาใส่บาตรให้เขาทําบุญให้เขาเจริญบุญได้แค่นี้ลูกศิษย์ระดับที่ว่าจะมาตัดสรู้ตามไม่มี ส่วนอนุพุท ธ, ธะก็คือลูกศิษย์ที่ตัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะจะมีพุท ธ, ธะที่พ้นทุกเนี่ยมีอยู่สามพุท ธ, ธะสัมมาสัมพุท ธ, ธะปัจเจกพุท ธ, ธะและก็อนุพุท ธ, ธะส่วนพุท ธ, ธะคือผู้รู้แบบยังไม่พ้นทุกข์เรียกว่าสุตะพุท ธ, ธะคือรู้วิธีธรรมเรียนรู้เหมือนมาฟัง ถ้าเป็นสมัยพระพุทธเจ้าก็คือฟังเทศจากพระโอษฐ์ฟังเทศจากพระษาวกถ้ามายุคนี้ก็ต้องมาอ่านพระไตรปิฎกมาฟังครูบาอาจารย์เรียนรู้ว่าจะทําอย่างไรให้ผลทุกเรียนรู้เข้าใจหลักแล้วท่องจําได้บอกต่อได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นสุตตะพุท ธ, ธะแต่ตัวเองยังไม่ถึงถ้าถึงเมื่อไหร่ก็เป็นสาวกก็เป็นอนุพุท ธ, ธะนั้นพุท ธ, ธะ ว่าโดยละเอียดแล้วเนี่ยมีสสประเภทสประเภทเนี่ยคือเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระปัจเจ้าพุทธเจ้าเป็นอนุพุท ธ, ธะส่วนพุทธะทีะ่ที่ 4, สุตะพุท ธ, ธะยังไม่เกิดมรรคผลแต่ท่องจำได้เลยลึกได้มีปัญญามากได้ยินได้ฟังมากพวกเหล่านี้ก็ถ้ายังไม่ถึงขั้นมรรคผลฟังบ่อยบอยก็จะ อาจจะอยู่ในขั้นสุตตะพุท ธ, ธฟังได้เข้าใจได้รู้หลักการรู้เส้นทางที่จะไปหรืออยู่แค่จะไปนั่นแหละ <c oughs> ฟังแล้วก็เออเข้าใจวันนี้ดีจังเลยฟังเทศเทศดีมากเลยวันนี้หลวงพ่อเทศดีมากเลยเทศว่าไงบัก <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> เป็นไหมเป็นบ่อยไหม <c oughs> ดีมากเลยโอ้ เท่อะไรบ้างไม่รู้อย่างนี้ยังไม่ใช่สุตตะพุทธะเรกแต่ฟังไปเรื่อยมีสิ่งหนึ่งในเนื้อหาของชีวิตนี้น้อยนักก็คือว่าเครื่องยืนยันว่าการเกิดการตายในสังสารวัตรไม่มีก็คือบางคนชาติก่อนเป็นเทวดามาเกิดเป็นคนคนไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้เทวดามาเกิดเป็นคนก็ได้ คนไปเป็นเดรัจฉานก็ได้เดรัจฉานมาเป็นคนก็ได้คนไปเป็นพระพรหมได้ไหมก็ได้พระพรหมมาเป็นคนก็ยังได้คนไปเป็นสันนรกได้ไหมได้สันนรกมาเกิดปเป็นคนก็ได้ครูบาอาจารย์เคยให้ดูว่าตัวเองเนี่ยนะถ้าระลึกชาติไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาจากไหนให้ลองดูกิเลสที่มันตัวเด่นใครขี้โกรธมีไหมขี้โกรธ ขี้โกรธเนี่ยแดนของพวกขี้โกรธก็คือนรกใครขี้โลภมีหมอุ้ยคนเดิมแดนที่เป็นโลภมากคือพวกเปรตใครไม่ค่อยมีสติเลยหลงไหลตลอดทั้งวันหาเวลามีสติยากมากเลยคนเดิมอีกอพวกที่สติไม่ค่อยมีเนนะคือพวกเดรชาน เหม่อลอยจิตใจเหม่อลอยวันๆเนี่ยไม่ค่อยรู้ตัวมัวแต่มองคนอื่นมองสิ่งอื่นวันนี้จะกินอะไรจะไปหากินหากินแล้วอิ่มแล้วก็นั่งเหมอ่อนอนเหมอ่อเหม่อแล้วก็หลับหลับแล้วตื่น้นมาหากินนนิ่งเป็นหลับขยับ <laughs> เป็นกิน <laughs> คนที่เวลาจะทำอะไรแล้วท้าผิดเกิดจะผิดศีลเกิด ระวังตัวได้ไม่ยอมทําผิดศีลอย่างนี้ยก็มาจากคนใครจะคิดไม่ดีสักนิดนึงก็ละอายจะทาผิดทำบาปอะไรก็กลัวกลัวผลของบาปนี่มาจากเทวดาใครที่รักสงบไม่ชอบที่จะไปสูงสิงกับใครพวกนี้ก็จะมาจากพรมตกลงเรามาจากไหน <laughs> มาจากไหน <laughs> ประเมินตัวเองได้ไั้มมาจากไหนเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเดินเสด็จบินธบาติเดินบิณธบาตแล้วเวลาพระพุทธเจ้าบิณธบาตเนี่ยก็เดินเดินนำหน้าใช่ไหมพระอนนุ์พระภิกษุทั้งหลายก็จะเดินตามหลังแล้วพระอนนทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ รู้จักแย้มพระโอษร์ไหมรู้จักไหมยิ้มพระโอษร์ยิ้มพระโอษร์คือปากแย้มพระโอษร์เกิแต่แย้มพระโอษ ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร์เนี่ยให้ทายว่าข้อกอยิ้มอย่างงี้ยิ้มไม่เห็นฟันข้อขอยิ้มเห็นฟันคิดว่ายิ้มแบบไหนกอรหรือขอ ใครว่าข้อกอยิ้มไม่เห็นฝันใครว่าข้อขอยิ้มเห็นฝันฟังเรื่องต่อไปพระพุทธเจ้าเดินของหน้าพระอนุนเดินตามหลังมีพระภิกษุเดินตามมาเรื่อยๆแล้วพระอนุนเห็นแสงวาบพระอนุนรู้เลยว่าพระพุทธเจ้า ยิ้มทำไมรู้ทำไมรู้ฮะถ่ายสิถ่ายสิทำไมรู้เพราะว่าเวลาพระพุทธเจ้ายิ้มเนี่ยนะจะมีแสงออกจากปากเพราะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้ายิ้มเนี่ยนะคงมายิ้มแม้มปากอะไรเมื่อนั้นต้องเห็นฟันแสงจากพระเขี้ยวแก้วออกไปแต่ว่าไม่ใช่หัวเราะฮ่าฮ่ า, าอะไรออกมาอย่างนั้น ยิ้มให้พอเห็นไรายฟันเล็กน้อยแย้มพระโอษมานิดหนึ่งแสงออกจากพระโอษออกไปประกายแวบวาบนิดหนึ่งเท่านั้นเองพระอ น, นุ์ทราบเลยว่าเดินอยู่ข้างหลังนะ่ะรู้เลยว่าพระเจ้ายิ้มพระเจ้าไม่ได้หันมายิ้มกับพระอนุ์ น, น, นนะมังั้นมันก็แปลกใช่ไหมอยู่ๆไปหันมายิ้มทำไมแต่เดินๆอยู่นั่นแหละแสงวาบมานิดหนึ่ง พระนรน์เห็นเลยเดินตามหลังมาทั้งท่านที่เดินตามหลังมาเนี่ย เ, เห็นเลยว่ามีแสงวาบเข้ามานิดหนึ่งรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าแย้มพระโอษฐ์ก็เลยถามพระพุทธเจ้าพระองค์มีเหตุอะไรทําให้พระองค์แย้มพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าบอกเห็นหมูตัวนั้นไหมเห็นหมูตัวนั้นไหมหือจะเห็นหมูตัวไหนต่อ ไม่มีใครเหมาะสมกว่าเป็นหมูเลยพระเจ้าชี้เห็นหมูตัวนั้นไหมเห็นพระองค์แล้วทําไมต้องยิ้มพระเจ้าก็ชี้หมูตัวนี้เลยนะก่อนหน้าจะมาเป็นหมูเนะี่ยในยุคพระพุทธเจ้ากะกุสันโธโอ้นานแล้วนะนานไหมนานจำไม่ได้แล้วใช่ไหมเกิดเกิดไปอะไรตอนนั้นไม่รู้เลยเนาะ ในกัปนี้ในกัปนี้นะมีพระเจ้าตัดสูตมาแล้วสี่พระองค์กากุส ok ันโธโกนากมโนกัสโปโคตโมคือองค์ปัจจุบันโคตโมกากุสันโธคือองค์แรกเลยในกัปนี้ในพระเจ้าในยุคพระเจ้ากากุสันโธหมูตัวนี้หมูตัวไหนตัวนู้ น, น, นหมูตัวเนี้ยเกิดเป็นไก่เคยเห็นไก่ใช่ไหมรู้จักไก่ไหม ไก่มีกี่ขาสองข า, าไก่หากินด้วยอะไรใช้ปากกินอะไรกินอะไรกินหลายอย่างข้าวกินนอนอไก่ตัวเนี้ยอาศัยอยู่ในวัดก็กินข้าวบ้างกินนอนบ้างอยู่ในวัดไม่มีอานิสงส์ตรงที่ว่าพระในวัดเนี้ย ท่านสาธยายกรรมฐานเรียนกรรมฐานเวลาเรียนก็เรียนเป็นภาษาบาลีภาษาสมัยนั้นนั่นแหละเรียนกรรมฐานมีทั้งสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานท่านกรรมท่องท่องวิธีเจริญกรรมฐานสาธยายออกเสียงไก่ฟังอยู่ข้างๆ้างฟังแล้วมันก็รู้เรื่องโยม เวลาเลี้ยงสัตว์นะคุยคุยกับมันบ้างนะไม่ใช่ว่ามันจะไม่รู้ภาษาคนนะเพียงแต่ว่ามันพูดภาษาคนไม่ได้เท่านั้นเองพระท่านสาธยายมนตท่านไม่ได้คิดว่าจะมาสอนไก่นะท่านก็สาธยายของท่านออกเสียงไม่ได้พูดในใจไม่ได้ท่องในใจออกเสียงอนิสงส์จากการสวดมนต์ออกเสียงไก่ฟังอยู่เพลินเพลินแล้วฟังแล้วเข้าใจด้วย ทำไมถึงรู้ว่าเข้าใจเดี๋ยวจะอธิบายต่อฟังแล้วเพลิดเพลินพอใจเสียงของพระองค์นั้นแสดงว่าท่านสวดคล่องเสียงดีเปล่งเสียงมาแจ่มใสน่าฟังไก่ฟังแล้วก็เพลินฟังเพลินไปเพลินมาเนี่ยไม่ทันระวังตัวเห ย, ย, ย, ยี่ยวเฉียวเหี่ยวเฉียวโฉ ไม่มีแม่ไก่มาคอยโอบปีกแผลก็เลยถูกเยว่เกี่ยวหัวไปตายเป็นเหยื่อเยว่แต่ตายด้วยจิตที่ผ่องใสจิตที่ผ่องใสอันั้นเนี่ยทำให้ไปเกิดเป็นคนไก่ตัวนั้นคงจะเป็นไก่ตัวเมียด้วยอานิสงส์ที่ฟังฟังพระสวดจิตใจแจ่มใสมาเกิดเป็น พระธิดาของพระราชาในที่ที่หนึ่งเมืองหนึ่งพระราชาเลี้ยงพระธิดาจนเจริญวัยพระธิดาก็เจริญวัยมาจนกระทั่งเป็นสาวเป็นสาวเข้าส่วมสาวเข้าสวมได้ไหมได้ส่วมสมัยนั้นเนี่ยเป็นส้วมไม่ใช่ส้วมยุคนี้ไม่ใช่ส้วมซึมไม่ใช่ส้วม ชักโครกเป็นส้วมที่เขาใช้เป็นหลุมขุดแล้วเอากระดานพาดถ่ายแบบสะสมถ่ายแบบสะสมถ่ายแบบนี้นะมีอ น, นิสงส์มากคือจะมีกรรมฐานให้ดูมีหนอนมีหนอนเยื่อเยี่ยนอยู่ที่ส้วมส้วมภาษาไทยภาคกลางนะ ส้มอีสานเนแปลว่าอะไรไทยอีสานส้มแปลว่าอะไรใครอยู่อีสานบ้างส้มอีสานแปลว่าอะไรรู้ไหมส้มอีสานแปลว่าห้องนอนบ่ะใช่ไหม <laughs> เอาภาษาไทยภาคกลางก็แล้วกันพระธิดาไปเข้าส้วมไปถ่ายถ่ายแล้วท่านก็มองเห็นนอน พอเห็นนอนปุ๊บจิตมันจำได้นี่ทําให้รู้ว่าตอนเป็นไก่เนี่ยฟังเข้าใจท่านฟังพระสาธยายกรรมฐานถึงอันหนึ่งแล้วมันประทับใจประทับใจในส่วนที่พิจารณาสร้างศพว่ามีหนอนขึ้นเวลาพิจารณาสร้างศพนะจะมีพิจารณาศพเป็นกระดูดูอัติอัตินนี้นะ บางทีก็พิจารณาศพที่มันนอนยวัวเยะเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นเนาะยุคนี้หาดูยากต้องไปดูตามป่าชาฝังหรือว่าแบบข้อทิง้งหรือศพที่ถูกทิง้งเมื่อก่อนจะมีเยอะนอนยวัวเยะขึ้นตามช่องทวารที่มันอ่อนๆก่อนตามตาปากจมูกอะไรอย่างนนะี้ สาธยายพระท่านสาธยายเรื่องหนอนแล้วไก่ประทับใจเรื่องนอนทําไมพระทับใจเรื่องนอนเพราะไก่กินหนอนนี่เดาเอานะในในตำราไม่ได้บอกละเอียดขนาดนี้นะแต่เข้าใจว่าไก่ประทับใจคําว่าหนอนเพราะตัวเองกําลังกินหนอนไก่กินนอนกินไม่ล็กก็เปลือบบ้างกินนอนบ้างมันมีการ์ตูนเคยอ่านการ์ตูนอยู่เรื่องหนึ่ง แม่ไก่ปลุกลูกไก่เช้าแล้วไก่ก็งัวงเงียรีบตื่นขึ้นมาลูกไก่นะลูกเจี๊ยบนะลูกเจี๊ยบก็งัวงเงียทำไมต้องรีบตื่นด้วยไก่ขยันตื่นเช้าเท่านั้นจึงจะได้กินนอนนะถ้าไก่ตื่นสายไก่ตัวอื่นจะกินนอนไปก่อนแล้วเราจะอดกินนอนกินข้าวกินนอนอร่อยกว่าดังนั้นจงตื่นเช้าเช้าเพื่อไปหาหนอนกินตัดฉากมาอีกฉากหนึ่ง <laughs> นี่ในกระตูนนะนี่ แยกให้ออกนะไม่ใช่ในพระตาบีดกนะในการ์ตูนตัดฉากมาแม่นอนกับลูกนอนลูกนอนก็ตื่นเช้ามาจะออกไปแม่บอกนอนไปนอนที่ตื่นเช้าท่านั้นจะถูกไก่กินเราจะเป็นหนอนหรือจะเป็นไก่แต่ไก่ในพระตาบีดกนะอันนี้ตัดฉากมาอีกทีนะเปลี่ยนเรื่องแล้วนะ ไก่น่าจะกินนอนแล้วก็ประทับใจในความเป็นอาหารพอพระสาทยายเรื่องศพมีนอน <c oughs> เขาก็เลยประทับใจจำวิชาภาคศพไล่ไปเรื่อยๆนะศพมีกระดูกศพเหลือแต่กระดูกนะเป็นแบบหน้าผีใครเคยดูหนังจกัจกจักวงวงหน้าผีมาตองแต่งตองแต่งแล้วก็ศพมีนอนศพขึ้นอืดเขียว ศพที่ขาดเป็นชิ้นๆอะไรเ ง, งี้ยศพแหวงหลายหลายแบบมีศพหลายแบบให้ให้พิจารณาพระทั้งสาธยายไปจนถึงศพมีนอนไก่พระทับใจศพมีนอนจำได้พระจำได้ขึ้นมาเนี่ยจำข้ามพบข้ามชาติมาเป็นพระราชธิดาแล้วไปเข้าส้วมมองไปที่ส้วมผลงานแล้วดูผลงานแล้วโอ้นอนเยอะเห็นนอนแล้วเลยเกิดเป็นกรรมฐานจาติดตา เห็นนอนเกิดสมาธิเกิดสมาธิทำฌานได้ตายจากเทพธิดาไปเป็นพระพรหมทำฌานได้ดังนั้นอย่าดูถูกของที่ถ่ายออกมาถ้าดูเป็นทำสมาธิได้ทำฌานได้พระราชิติดาเนี่ยดูนอนแล้วเกิดอสุภกรรมฐานแล้วก็เลยทำฌานได้ ไปเป็นพระพรมพระพมก็ตายก็พมมีหมดอายุเหมือนกันพอตายเนื่องจากความสับสนในในที่เกิดนี่พระพุทธเจ้าใช้คำนี้นะสับสนในที่เกิดในที่ไปมาเกิดเป็นลูกหมูเป็นลูกหมูตัวเมีย มากินคูดรู้จักคูดไหมคูดอุจจาระถ้าพูดคูดเนี่ยดูน่าฟังนะภาษาไทยก็ยังต้องเลี่ยงไปเป็นใช้บาลีว่าอุจจาระถ้าใช้คําไทยและแท้เนี่ยโยมฟังได้ไหมยากนะฟังยากใช่ไหมทําไมเราดูถูกภาษาของเราเองนะยกภาษาของเราเองให้กลายเป็นคําหยาบแปลกไหมต้องเอาภาษาอื่น อุนจิรู้สึกน่ารักไหรู้สึกว่าน่ารักมากขึ้นไหมอุนจิน่ารักอุจจาระรู้สึกดูเป็นอะไรมาตรฐานดูสุภาพมาตรฐานเหมือนผูกไทยใช่ <laughs> อุนจิดูแบบอะไรกิบเกมากขึ้น <laughs> เหมือนกันแหละอันเดียวกันจากพระพรหมที่กินปีติเป็นอาหารลงมาเป็นลูกหมูกินคูดเป็นอาหาร ดูความสับสนในที่ไปไหในกติที่ไปมาเกิดเป็นลูกหมูแล้วเป็นบุญของลูกหมูนั้นอยู่ในจุดที่พระพุทธเจ้าจะทอดพระเนตรเห็นและพระองค์ก็แยมพระโอษฐเห็นฟันไหมเห็นแสงวาบนั่นไปเนี่ยพระอนน์เดินตามหลังมาก็เห็นพระที่เดินตามหลังมาทั้งหลายก็เห็นหมูเองก็เห็น ทำไมถึงกล้าบอกว่าหมูเห็นฟังต่อไปมีเครื่องยืนยันปรากฏว่าพระองค์ก็พูดถึงหมูความสับสนในคติที่ไปของคนของไก่ของพระพรหมซึ่งก็เวียนว่ายตายเกิดกลายมาเป็นหมูแล้วท่านก็ตัดบอกว่าเปรียบเหมือนต้นไม้เปรียบเหมือนต้นไม้มไมถ้ายัง มีรากอันมั่นคงถึงเราจะตัดต้นตัดกิง่งมันก็ยังงอกมาใหม่ได้เคยตัดต้นไม้ใช่ไหมเคยเห็นเขาตัดต้นไม้ตัดไปแล้วเนี่ยมันจะมีหน่อแทงออกมาได้มีกิง่งมีขแขนงแทงออกมาได้โดยเฉพาะต้นที่มีรากที่มั่นคงอตมาเคยอยู่ที่ระยองก็ปลูกต้น น, นั่นน่ะอยู่คารู้จักต้น อ, อยู่คาอยู่คาเนี่ยปลูกที่แรกนะต้นจะเป็น ต้นเดียวตรงๆแล้วเขาก็จะตัดพอมันโตไ ด, ได้ที่ดีแล้วนก็จะตัดเอาต้นยูคาไปขายมันจะงอกมาอีกสต้นเอาไอ้4ต้นน่ะเลี้ยงจนโตแล้วก็ตัดสต้นนั้นไปขายอีกงอกมาเป็น8กต้นตัดได้จากรากเดิมเนี่ยตัดได้ถึงสามครั้งพอครั้งที่สแล้วต้นจักเล็กแล้วไม่เอาโค่นทิ้งไถทิ้งายทั้งรากเวลาไถาต้องไถทั้งรากเอารากออก จะตัดไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็งอกต่อไปเรื่อยๆเพราะรากยังแข็งแรงยังคงอยู่รากที่จะทำให้เราต้องเกิดไปเรื่อยๆจิตนี้ต้องเกิดอีกเกิดอีกในภพชาติก็คือตัณหาทั้งหลายถ้ายังมีตัณหาอยู่มันจะจะคอยทำให้ไปเกิดต่อท่านเปรียบว่ากรรมกรรมเนี่ยเปรียบเหมือนที่นากรรมมังเขตัง วิญญาณังพีชังวิญญาณเปรียบเหมือ น, มนเมล็ดเมล็ดพืชถ้าเป็นที่นาก็คือมเมล็ดข้าวกำมังเขตตังเขตตังนี่คือไม่ใช่เขตแดนแต่เป็นเขตเนี่ยเหมือนคําว่าบุญยเขตบุญญเขตแปลว่าเนื้อนาบุญเขตนก็คือที่นาเขตภาษาบาลีแต่เป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าเกษตรเขตเป็น เป็นบาลีพอเป็นภาษาสรรษันสกฤตแปลว่าเกษตรก็คือการการเพาะปลูกที่ดินสำหรับเพาะปลูกกำมังเขตตังกำเปรียบเหมือนที่นาวิญญาณังพีชังวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชตันหาสินเนหังตันหาเปรียบเหมือนยางในเมล็ดพืชเมล็ดพืชถ้าไม่มียาง ปลูกไม่ขึ้นถ้าเมล็ดพืชมียางไปลงในที่ที่ดินที่ดีที่เหมาะสมดินดีมีเมล็ดพืชเมล็ดพืชนั้นยังมียางอยู่งอกอีกวิญญาณมีแต่ถ้าทำลายตัณหาไปแล้วก็เหมือนเมล็ดพืชที่ทำลายยางเวลาทำลายยางบางทีก็ใช้เหล็กทิมบางทีก็ไปเข้าเตาอบเผาซะ วิญญาณนี้ถ้าเราจะให้หมดตัณหาก็เผาเผาด้วยตะบะความเพียรในการปฏิบัติกรรมฐานสมถกรรมฐานหรือปัสนากรรมฐานหรือแทงตลอดทะลุไปด้วยปัญญาทำลายตัณหาคือยางในมเมล็ดพืชนั้นหวานไปที่ที่นาที่ดินดินดียังไงไม่งอกแล้ว ท่านเปรียบอย่างนี้ท่านดูว่าดูสิจากการเป็นไก่มาเป็นคนไปเป็นพระพรหมแล้วก็ยังมาเกิดเป็นหมูได้เพราะว่ายังไม่หมดตัณหายังมีความอยากอยู่กรรมฐานที่ได้ถึงแม้จะทำฌานได้ก็เป็นเพียงการกดกิเลสเอาไว้ชั่วคราวยังไม่ได้ตัดกิเลสไปด้วยปัญญาดันั้นยังต้องเกิดอีก พระทั้งหลายที่ฟังตอนนั้นรวมทั้งหมูตัวนั้นด้วยแสดงธรรมตรงนั้นแหละระหว่างเดินไปจะไปบินธบาตเห็นหมูแสดงธรรมแล้วก็เดินต่อเสด็จไปต่อหมูนั้นก็ยังต้องเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายจากหมูเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิดปีติเกิดปีติก็ไปเกิดเป็นคน ระบุด้วยนะว่ามาเกิดที่สุวรรณภูมิไม่ได้เกิดสนามบินนะลําบากแล้วกว็เกิดบนตรงสนามบินนี่ลําบากแล้วเนะี่ยมาเกิดสุวรรณภูมิคือดินแดนประมาณแถวๆนี้แหละแล้วก็กลับไปกลับมาเป็นคนไปเกิดที่เกาะลังกาสมัยนั้นเรียกว่าเป็นเป็นที่ที่พระพุทธศาสนาไปเจริญอยู่ที่นั้น เกิดที่เกาะลังกาเกิดอยู่หลายชาติชาติสุดท้ายมาเกิดเป็นหญิงสาวลูกชาวบ้านคนหนึ่งลูกชาวบ้า น, นจนๆแต่สวยที่สวยเพราะว่ารักษาศีลไวด้ดีอำมาตย์คนหนึ่งเดินผ่านไปไปตรวจงานราชการเดินผ่านเห็นเข้าถูกใจ ขอไปเป็นภรรยาสู่ขอเสร็จก็เตรียมจะแต่งงานแต่งงานก็ทำพิธีเอกรกเริกคนคนแขกคนทั่วๆไปโดยเฉพาะอินเดียหรือลังกาก็จะทำพิธีแต่งงานนียใหญ่โต <S <S 1> <S 1> พวกเราแต่งงานทำพิธีใหญ่ไหมใหญ่เหมือนกันเนาะประกาศประกาศไปทั่วเหมือนกันนะจองโรงแรมใหญ่ๆประกาศว่าฉันจะอยู่กับคนนี้ใช้ชีวิตกับคนนี้ ต, ตอนแยกกันอยู่ก็ยิ่งดังไปใหญ่เลยนะเตียงหักโดยเฉพาะพวกดาราที่จะดังมากคนนี้จะแต่งงานกับอมารญิงสาวคนที่เคยเป็นหมูเป็ น, เ ป, นเป็นพระพรหมเลยนะแต่งงานกับอมารยุคนั้นก็ยังเป็นยุคที่มีครูบาอาจารย์เก่งๆมีพระอรหันต์รูปหนึ่งเดินผ่านงาน บอกกับลูกศิษย์ว่าดูสิวันนี้อมหมาจะแต่งงานกับหมูวันนี้อมหมาจะแต่งงานกับหมูอมหมาจะแต่งงานกับลูกหมูไม่ใช่แก๊งลูกหมูนะแต่งงานกับลูกหมูท่านเป็นพูดเป็นคําให้คิดให้ถามพระก็ฟังอย่างนี้ก็ต้องถามใช่ไหมอมหมาแต่งงานกับคนแท้ๆเลยทําไมอาจารย์ทําไมหลวงพ่อบอกว่า แต่งงานกับลูกหมูก็ถามเนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยนะอดีตชาติของหญิงคนนี้นะไล่ไปไล่ไปไล่ไ ป, ไปคือลูกหมูในยุคพุทธกาลดูสิความความรู้ความเห็นของครูบาอาจารย์นะดุลึกซึ้งมากเลยน ะ, ละเลเยียดละออดูไปถึงอดีตชาติของหญิงคนนั้นว่าอดีตชาติเนี่ยในยุคที่พระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่เนี่ยเป็นลูกหมู แล้บอกว่าเนี่ยอมาตวันนี้จะแต่งงานกับลูกหมูโอ้ลูกศิษย์ทั้งหลายพอฟังครูบาอาจารย์ท่านรล่ราย่รา ย, ยาวถึงอดีตตชาติของหญิงคนนั้นเสียงไปเข้าหูเสียงล่ําลือต่างเนี่ย น, นะไปเข้าหูเจ้าสาวเจ้าสาวคือหญิงคนนั้นพอได้ยินคำว่าลูกหมูในยุคพุทธกาลเกิด ระลึกชาติขึ้นมาได้เลยแสดงว่าประทับใจในแสงที่ออกมาจากพระโอษของพระพุทธเจ้าครั้งนั้นที่พระพุทธเจ้ายิ้มเนี่ยยิ้มเพื่อประโยชน์ต่อลูกหมูตัว น, นั้นจริงๆมีประโยชน์ต่อลูกหมูเพื่อจะระลึกชาติได้มีประโยชน์ต่อพระทีท่จะฟังแล้วก็รู้สึกว่าเห็นโทษภายของตันหาลูกหมูตัว น, นั้นเห็นแสงวาบจากพระพุทธเจ้าแล้วประทับใจตกใจประทับใจแล้วนะ ดีใจที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเห็นแสงแล้วก็หันไปดูแล้วก็ดีใจประทับใจความประทับใจเนี่ยเก็บเอาไว้ในใจจิตเนี่ยจาได้ตัวเองนั้นไม่รู้ล่ะจิตน่ะจำไปแล้ะพอได้คําแนะนําจากครูบาอาจารย์ในยุคหลังในยุคที่เกิดเป็นหญิงที่จะไปเป็นเจ้าสาวในเกาะลังกาไปแต่งงานกับอมร์เนี่ยพอครูบาอาจารย์แนะแนะให้นิดนึงมันแนะก็ไม่ไดแนะโดยตรงเลยนะ เพียงแต่พูดกับลูกศิษย์ว่าเนี่ยวันนี้อมหมายจะแต่งงานกับลูกหมูแล้วก็อธิบายที่มาของลูกหมูต่นนั้นเองพอยิงนั้นได้ยินว่าตัวเองเคยเป็นลูกหมูในยุคพุทธกาลและลึกชาติขึ้นมาได้เลยเห็นภาพเลยว่าตัวเองเป็นหมูจริงๆมุมมองของหมูก็ต้องต่ำๆจะมาหงอเงยขึ้นไปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นแล้วสลดใจกราบเท้าอมหมาตขออนุญาตบวช อยู่ในงานแต่งงานแท้ๆเลยนะอมาก็ดีดีแสนดีน่าจะเป็นอุบาสกในพุทธศาสนายอมให้ออกบทฟังธรรมครั้งแรกเป็นพระโสดาบันดูสิจากการที่พระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาแย้มประโถดให้หมูตัว น, นั้นเห็นประทับใจเป็นเหตุให้มาละลึกชาติได้ในยุค ที่เป็นเจ้าสาวแล้วขอออกบวชเห็นการเกิดการตายของตัวเองเวียนตายเวียนเกิดในสังสารวัฏแล้วสลดใจไม่อยากเป็นเจ้าสาวไม่อยากเป็นคุณหญิงไม่อยากเป็นคุณนายขอออกบวชเบื่อการเวียนว่ายตายเกิดเห็นโทษของตันหาในการอยากอยากเกิดอยากเป็นออกบวชฟังธรรมครั้งแรกเป็นพระโสดาบัน อยู่เป็นพระโสดาบันนั่นนะอีกนานจเจริญกรรมฐานต่อไปเป็นพระอาหารหันต์ในชาตินั้นเลยได้รับพระมหากรุณาจากพระพุทธองค์ในยุคจะเป็นหมูได้รับความกรุณาจากพระอาหารหันต์ในชาตินั้นจเจริญกรรมฐานเป็นโสดาบันต่อไปจนถึงเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่ง พชาติเนี่ยมันไม่ได้เรียงว่าจากนรกตายจากสัตว์นรกแล้วจะต้องมาเกิดเป็นเปรตก่อนแล้วจะต้องมาเป็นคนเป็นคนแล้วไปเป็นเทวดาตายจากเทวดาแล้วต้องเป็นคนก่อนจึงจะเป็นนรกไม่ใช่ตกไปได้ข้ามข้ามได้เรื่อยๆจากคนเป็นสัตว์นรกได้จากสัตว์นรกมาเป็นเป็นคนได้จากเปรตข้ามคนไปเป็นเทวดาก็ได้จากเทวดาตกนรกก็ได้แล้วพวกเราเนี่ยก็ทํากรรม <ide> หลากหลายพร้อมที่จะเกิดแทบทุกที่เลยในชีวิตนี้น้อยนักนะ น, นะสมเด็จพระยันสังวรเนี่ยจะบอกเลยว่าเราทำกรรมเอาไว้มากมายหลากหลายแยกไม่ออกเลยว่าทำอะไรไว้มากน้อยแค่ไหนมองตัวเองไม่ออกหรอกจะมองออกตอนที่มันมีวิบากออกมาส่งผลออกมาคราวใดที่มีสุขให้รู้เลยว่า นั่นเป็นผลของบุญกุศลที่ทำเอาไว้คราวใดที่มีทุกข์ให้บอกตัวเองแลว่านี <iele> ่เป็นผลของบาปอกุศลที่ทาเอาไว้บาปอกุศลที่ทำเอาไว้ย่อมมีผลแน่นอนบุญกุศลที่ทำไว้ย่อมมีผลแน่นอนผลย่อมได้มาจากเหตุถ้าเรารับผลที่เป็นทุกข์ย่อมมาจากเหตุที่ไม่ดีผลที่เป็นสุขก็ย่อมมาจากเหตุที่ดีที่ทำเอาไว้เอง ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นทำดังนั้นอย่าไปเที่ยวโทษใครเวลาได้รับวิบากเป็นบุญที่เป็นสุขวิบากจากบาปที่เป็นทุกข์อย่าไปโทษใครให้ย้อนมาดูตัวเองว่าเป็นผลจากการทำกรรมของเราเองที่ทำเอาไว้แล้วเวลาเห็นคนอื่นก็ได้ดีทั้งที่เราไม่อยากให้เขาได้ดีก็ <c oughs> วางใจว่านั่นเป็นเพราะ บุญกุศลที่เขาทำเอาไว้ในอดีตตอนนี้เขาอาจจะดูเหมือนเป็นคนไม่ดีแต่ผลบุญที่เขาเคยทำเอาไว้แล้วในอดีตกำลังให้ผลอยู่ตอนนี้เขาดูไม่ดีเลยแต่เราเนี่ยอยากเขาได้ได้ดีเราเชื่อว่าเขาเคยทำดีมาก่อนแต่ทำไมตอนนี้เขาตกต่ำเพราะเขาไม่ได้ทำดีอย่างเดียวก็ทำไม่ดีบ้างเหมือนกันแล้วตอนนี้ผลแห่งการทำไม่ดีนั้นกำลังให้ผลอยู่ ไม่ว่าเราจะได้รับผลดีหรือไม่ดีหรือคนอื่นที่เรามองอยู่ได้รับผลดีหรือไม่ดีให้เชื่อเลยว่าเพราะมีเหตุจึงมีเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมเขาตึงตกต่ำทำไมเขาถึงไม่เจริญก้าวหน้าเพราะว่าผลจากการทำไม่ดีของเขากำลังให้ผลอยู่ถ้าจะช่วยช่วยยังไงช่วยให้เขารื้กได้ถึงการให้ผลของการทำดีและทาไม่ดี ทำดีย่อมได้ผลดีเร่งให้เขาทำดีให้มากขึ้นทำไม่ดีย่อมได้ผลไม่ดีเร่งให้เขาเห็นผลร้ายของการทำไม่ดีนนั้นถ้าจะพูดให้เขาเข้าใจได้ต้องทำตัวเองก่อนไม่ใช่ตัวเองก็ยังไม่มั่นใจแล้วก็ไปพูดไม่มีน้ำหนักไ ม, ไม่มีน้ำหนักก็ต้องพูดด้วยความมั่นใจคือศรัทธาเห็นเองแล้วว่าตัวเองทำอย่างนี้แล้วได้ผลอย่างนี้สิ่งที่ทำได้ผล แล้วก็เห็นผลชัดได้ผลเร็วมากเลยคือคือทำบุญที่มันใหญ่ๆถึงจะคุ้มอย่าไปเห็นผลจากการทำชั่วใหญ่ๆไม่คุ้มถ้าพิสูจน์ด้วยวิธีนี้นะเราลำบากนั้นทำบุญใหญ่ๆแล้วได้ผลเลยบุญอะไรทาใหญ่ๆแล้วได้ผลเลยทำกรรมฐานได้บุญเห็นผลเลยเห็นผลชัดเจนเห็นกิเลสปุ๊บกิเลสดับใจเย็นทันทีเห็น ความโกรธความโกรธดับใจเย็นทันทีเห็นความโลภความโลภดับเงินอยู่ในกระเป๋าทันทีไม่หลุดล่วงไปไหนเห็นความเผลอได้สติทันทีความเผลอดับไปเลยนี่นะเห็นอีกเห็นให้มากขึ้นไปอีกเห็นจิตที่มันไหลไปจะเห็นจิตไหลไปเนี่ยต้องให้มีที่อยู่ก่อนจิตต้องมีที่อยู่ก่อนจิตมีที่อยู่ในที่ใดที่หนึ่งเช่น เห็นกายในหายใจไปก่อนเห็นกายหายใจไปพอเผลอปุ๊บมันจะหลุดจากกายเนี่ยไหลไปหาสิ่งที่สนใจเช่นเสียงนกไหลไปหาเสียงนกไหลไปแล้วเนี่ยถ้าคนไม่เห็นขนาดไหลก็จะไปได้ยินเสียงนกแล้วนึกถึงภาพนกเลยแต่ยังไม่ทันเห็นภาพนกเห็นจิตที่มันเคลื่อนไปจากกายนี้ถ้าเห็นขนาดนี้นะเรียกว่าเห็นจิต ที่มันไหลไปเคลื่อนไปจิตไหลไปเคลื่อนไปแสดงความไม่ตั้งมั่นของจิตเห็นความเคลื่อนเห็นจิตพอดีตั้งมั่นพอดีตอนเห็นจิตเคลื่อนเห็นจิตแล้วจิตตั้งมั่นเนี่ยได้ทั้งสติและได้ทั้งสมาธิคือความตั้งมั่นด้วยได้สติคือเห็นความเคลื่อนได้สมาธิคือได้ความตั้งมั่นพอดีแล้วเห็นความเคลื่อนนั้นเห็นจิตที่เคลื่อนนั้นถูกดู จะเกิดแยกว่าไอ้ตอนมีสติมีตัวหนึ่งไอ้จิตที่เคลื่อนไปเป็นอีกตัวหนึ่งแยกตัวแยกธาตุแยกขัน์อาการของจิตเป็นอย่างหนึ่งตัวผู้รู้เป็นอีกตัวหนึ่งจิตทำงานเอง <c oughs> เห็นจิตมันทำงานเองไม่ได้ตั้งใจว่าจงเคลื่อนหรือจงอยากเคลื่อนมันเคลื่อนไปแล้วเห็นมันเห็นมันทำงานเองตอนนี้จะเห็นอาการลักษณะของ แบบหนึ่งคือเป็นอนัตตาเห็นเห็นจิตเคลื่อนเนี่ยนะจะได้คุณธรรมเป็นกุศลธรรมใหญ่ใหญอยู่สามประการได้สติได้สมาธิและได้ปัญญาแต่ถ้ายัางไม่ได้ให้ดูกิเลสไปก่อนดูกิเลสนะได้ยินอะไรเกิดกิเลสให้รู้ทันได้ยินแล้วเกิดราคะให้รู้ทันเห็นแล้วเกิดราคะให้รู้ทันดูละคร ดูละครได้จะเกิดกิเลสได้เยอะแยะเลยนะโอ้ทาสคนนี้บึกมากเลยบึกบึนอกผายไรพึงดูพุงแล้วก็ซิกแพกนะอะไรเงี้ยนะทาสอะไรตัวนวลมากเลยไม่มีริ้วรอยอะไรเลยหน้าปลดปล่อยให้เป็นอิสระมากอนะไรเงี้ยใครดูบา <laughs> มาดูในข่าว <laughs> เขากําลังอะไรวิจารณ์ธาตุหนุ่มคนนี้กันดูแล้วเกิดราคะให้รู้ทันดูแล้วเกิดโทสะใครมาแกล้งพ่อหนุ่มคนนี้ผู้เป็นขวัญใจของเราเราเกิดโทสะให้รู้ทันเห็นแล้วเกิดโทสะให้รู้ทันไม่จะเห็นแล้วรู้ว่าเขาทําไม่ดี เห็นแล้วเกิดราคะให้รู้ทันว่ามีราคะเกิดขึ้นในใจไม่ใช่ว่าโอ้โหพ่อหนุ่มคนนี้บึกบึนหน้าเข้าไปคทำความรู้จักใกล้ชิดอะไรกันไม่ใช่อย่างนั้นรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจไม่ใช่ว่ารู้ทันว่าเขาดีเขาเลวหรือเขาหน้าคบหรือเขาหน้าผลักใส่รู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นข้าง น, นอกนะ่ะรู้แล้วก็ต้องรู้เป็นตามปกติไม่ต้องห้ามด้วยไม่ใช่ ฉันจะดูเฉพาะจิตไม่ดูข้างนอกเป็นไปไม่ได้เห็นนั่นแหละเห็นข้างนอกไปดูไปฟังไปดมไปกินไปสัมผัสไปแล้วเกิดกิเลสให้รู้ทันแล้วไม่ทำผิดศีลแล้วไม่ทาผิดศีลอยู่กับโลกไปแต่ไม่ทำผิดศีลไม่ทำให้คนอื่นระคายเคืองไม่ทำให้เขาต้องลำบากใจจากการแสดงออกของเราทางกายทางวาจา หรือแม้แต่ทางใจทางใจเป็นไปได้ไหมเราโกรธอยู่เนี่ยนะไม่แสดงออกทางกายไม่แสดงออกทางวาจานะเขาก็รับได้นะเราฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยนะคนนั่งข้างๆเนี่ยอาจจะแบบลำคาญจังเลยก็ได้ <c oughs> บางคนนะจานรับสัญญาณก็ดีมากอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ขนาดเราไม่ได้พูดอะไรนะเขาลำคานมากเลยบอกหนวกหู <c oughs> ระวังให้ดีทำไมพูดมาถึงตรงนี้ได้ จะพูดถึงว่าการที่เราไปกระทบกับใครนะแล้วเกิดสํนนึกขึ้นมาสมเด็จพระยาณสังวรท่านก็บอกว่าเวลาเราจะขอเข้ามาใครเราอยากขอเข้ามาใช่ไหมอยากให้เขาอดโทษอยากให้เขางดโทษคืออยากให้ตัวเองไม่มีโทษแต่ทำสิ่งที่เป็นโทษไปแล้วแต่ ไม่อยากได้รับผลของการกระทาอันนั้นส่วนใหญ่เราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราจะมุ่งไปขออโหสิกรรมจะใช้คำนี้ใช่ไหมเพื่อที่จะให้มันมีผลไปแล้วแล้วก็ไม่มีผลอีกอโหสิกรรมคือกรรมที่มีผลแล้วจะไม่มีผลอีกเราก็อยากให้บาปกรรมที่เราทำไปแล้วนั้นความร่วงละเมิดด้วยกายวาจาใจกับคนคนนี้ที่ได้เผลอทําไปแล้วเนี่ยหรือตั้งใจทาไปแล้วเนี่ยนะ ยังมีผลร้ายๆเกิดขึ้นกับเราเราก็จะไปขออโหสิกรรมก็คือว่าให้มันแล้วกันนะแล้วๆกันซึ่งไม่แล้วอย่างสมมติว่าเราคนนี้มาทำวจีทุจริตไงพูดด่าคนนี้มาพูดด่าคนนี้เบียดเบียนด้วยวาจาไปแล้ว สร้างกรรมไปแล้วเป็นวจีกรรมคนนี้ไม่ใช่มีหน้าที่ที่จะบอกว่าผลกรรมจงอย่ากเกิดวิบากจงอย่ากเกิดเข้าใจไหมทำไปแล้วเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติว่าเมื่อเราทำไม่ดีย่อมได้รับผลไม่ดีคนคนนี้ไม่ได้มีอำนาจเหนือธรรมชาติที่จะมาห้ามผลไม่ดีให้เกิดกับคนพูดเมื่อกี้ได้ เราไปตบปากเขาปุ๊บขอโทษนะเผลอไปผิดไปจงอย่ามีผลเลยว่าเราจะถูกตบปากอีกเล ย, ยนคนถูกตบปากคนนั้นไม่ใช่เจ้าของธรรมชาติที่จะห้ามผลของกรรมไม่ให้เกิดขึ้นได้เพียงแต่ห้ามใจเขาเองไม่จองเวรได้ <laughs> ห้ามได้เพียงว่าไม่จองเวรกัน ตัวที่เราควรจะกลัวที่เราควรจะกลัวกันคือตัวจองเวนไม่ใช่ไปกลัวว่าไอ้ที่ทำไปแล้วจะเกิดผลไม่ต้องกลัวเกิดแน่ <laughs> <laughs> เกิดแ น, <laughs> เนแ่เว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่าทำดีมากๆจนกรรมที่เป็นของเลวๆอันนั้นดูเป็นของจิบจอยตามไม่ทันแล้วก็ ไม่คู่ควรแก่การให้ผลกรรมกรรมที่ทําไว้แล้วเนี่ยไม่มีเวลาให้ผลมันจะต้องให้ผลมันจะต้องถึงวาระที่ต้องให้ผลดีๆอันนั้นก่อนคือทําบุญเอาไวมา้มากๆจนจะต้องเรียกว่าบุญอันนั้นจะต้องให้ผลก่อนยิ่งทํากรรมฐานระดับวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาเห็นแจ้งแล้วนะเกิดนิพพานไปแล้วเนี่ยบาปอากุศลทั้งหลายเนี่ยตามไม่ผลไม่ทันแล้วเคยทำไหมเคย ตลอดสังสารวัฏมาเนี่ยเคยทํากรรมทั้งเป็นบุญและเป็นบาปและส่วนใหญ่เป็นบาปบาปที่ทําเอาไว้ในอดีตเนี่ยนะก็ทําไว้แล้วถ้าไม่นิพพานเกิดใหม่ให้ผลอีกแต่นิพพานไปแล้วหมดขันห้าที่จะให้ผลแล้วไม่มีแขนขาจะมารับความเจ็บปวดแล้วไม่มีหัวจะมารับความเจ็บปวดแล้วไม่มีใจจะรับรับการกระทบอะไรแล้วขันห้าดับไปหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะมารองรับวิบาก อย่างนี้นะอย่างนี้จึงจะพน้นแต่ไปขอโทษกันขออโหสิกรรมเลนะได้แต่ขอให้อย่าจองเวรกันดังนั้นเวลาขอนะ่ยให้ขอให้ถูกว่าขออภัยอย่าได้มีภัยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันอย่าได้พยาบาทจองเวรซึ่งกันและกั น, น, นเวลาขออยากขออโหสิกรรมเขาไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจบงการว่ากรรมจงอยา่าอย่ากลายเป็นวิบากเกิดขึ้นแกเธอไม่ใช่อย่างนั้น แล้วเวลาขอโ อ, อโหสิกรรมหรือขอไม่ใช่โ อ, อโหสิกรรมอออโหสิกรร ม, มนี่เป็นคำไทยๆนะเวลาขออภัยขอขามาขอขามากันเนี่ยให้กล่าวด้วยความสำนึกในความผิดของตัวเองจริงๆไม่ใช่ข่มขู่ว่าจงอย่ากอดแค้นเรายิ่งแค้นใหญ่เลยฉันทำบุญนี้แล้วจงรับบุญอันนี้ไปนะแล้วอย่ามา ต่อแยกกันอีกนะเนี่ยในใจเราจะคิดอย่างนี้ใช่ไหมถึงแม้คำพูดจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ใจเป็นอย่างนั้นนะนะเขารับรู้ไอ้ไอใจเบื้องหลังอะแล้วเขาก็มายกโทษให้อยังคงจองเวรกันอีกเพราะว่าแกยังไม่สํานึกจริ ง, งนั้นเวลาจะไปขอเข้ามาใครให้ขอเข้ามาด้วยใจที่สํานึกในความผิดและมีความดีไปโชว์ ว่าขอเอาบุญกุศลอันนี้เป็นเป็นเครื่องไถ่ถอนความผิดที่เคยได้ทําร่วงเกินกับคุณไปแล้วในครั้งนั้นทําด้วยจิตที่สํานึกความผิดอันนั้นจริงๆเช่นลูกสํานึกว่าเคยพูดไม่ดีกับแม่เคยโมโ oh หแม่ขอตังค์แล้วไม่ได้กระทืบเท้าตึงตังตึงตังขอขอมาในความผิดอันนั้นเห็นโทษอันนั้นจริงๆว่าเป็นความผิดจริง ไม่ควรเลยที่จะไปแสดงออกแบบนั้นกับแม่อย่างี้สมมติแค่อาการขอขามาแค่อาการขอมานะินิ้ววันทาแค่นั้นไม่ต้องมีอะไรไปบูชาสักการะอะไรมากแต่ถ้ามีมากกว่านั้นก็คือมีดอกไม้มีทูบเทียนมีพานเนื่องเป็นพิธีใหญ่ละแต่ถ้าเป็นเด็กๆไม่มีอะไรมากไปกราบเท้าขอขามาแค่นี้ก็ได้ละแม่ไม่ คิดร้ายกับลูกนี่ง่ายขอเข้ามาตอนนั้นเองก็หมดเวรแต่ว่าพอโตไปแล้วมีลูกอาจจะมีลูกที่กระทืบเท้าใส่หน้าตัวเองอีกก็ได้เพราะว่าอันนั้นเป็นวิบากของตัวเองส่วนแม่นั้นไม่จองเวรแล้วขอเข้ามาแม่นี่ง่ายแม่พร้อมที่จะให้อภัยขอเข้ามาคนค น, คนอื่นต้องให้ยิ่งนอบน้อมกว่าแม่ ให้นิ่งนอบน้อมกว่าขอเข้ามาแม่ให้สำนึกผิดมากกว่านั้นอีกเพราะเขายังไม่พร้อมที่จะให้อภัยเข้าใจไหมเหมือนเราเราถูกทําร้ายจากคนอื่นเขาไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เราอ่ะเราพร้อมที่จะโกรธใช่ไหมเขามาขอเข้ามาขออภัยเนี่ยเรายังไม่พร้อมที่จะให้อภัยเราดูท่าทีแล้วมันยังไม่สำนึกผิดเราก็ไม่แห่ภัยใช่ไหมเหมือนกันเวลาเราขอเข้ามาขออภัยเขา ต้องไปด้วยใจที่สำนึกผิดจริงๆไม่ใช่ว่าโอ้ฟังพระท่านเทศแล้วต้องไปขอขอมาขออภัยก็เลยขอขอมาขออภัยแล้วทําแบบปลกปลกอย่างนี้ไม่ได้ผลและเขาก็ตับรู้ได้ซึ่งความไม่สำนึกจริงแล้วก็เลยไม่มีการให้อภัยกันจริงสมเด็จพระยางสังวรเน้นตรงนี้นะว่าเวลาจะไปขอขอมาขออภัยใครทําด้วยใจที่สำนึกในความผิดอันนั้นจริงๆ เหมือนกับเราจะทดแทนพระคุณพ่อแม่เราจะไปทดแทนพระคุณพ่อแม่เราจะพูดคาเพราะเพราะไพร่เพราะพ ร, ะพ ร, ะพระพิ้งถนอมน้าใจท่านเวลาจะขอขมาขออภัยใครให้พูดไพร่ใจใจอ่อนโยนจริงๆให้นึกถึงเวลาจะพูดกับพ่อแม่ยังไงเวลาสำนึกผิดให้พูดแบบนั้นหรือถ้าให้ดีให้ยิ่งกว่านั้น ทำไมต้องยิ่งกว่านั้นเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยพร้อมจะอภัยอยู่แล้วแต่คนอื่นไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ยังไม่พร้อมจะอาภายัยต้องทำให้เขาเห็นชัดจริงๆว่าเราสนเบกจริง <S <S <S อีกประเด็นหนึ่งในชีวิตนี้น้อยนักท่านเตือนพระองค์ท่านเตือนว่าคุณความดี ที่ควรจะยกย่องเชิดชูขึ้นมาในสังคมยุคนี้ก็คือความกตัญญูกตเวทีใครฟังถึงท่อนนี้บ้างแสดงว่าต้องฟังจะจบอยูแล้วตอนท้ายบอกคุณความดีที่ควรจะยกย่องขึ้นมาในสังคมในยุคนี้คือเรื่องกตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวที ที่จะระลึกได้ไดง่ายก็คือคุณของพ่อของแม่ถ้ายังระลึกคุณความดีของพ่อแม่ไม่ได้เนี่ยแย่และสังคมนี้ยากที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุขแม้แต่บุญระดับธรรมดาสามัญอย่างนี้ยังยังระลึกกันไม่ได้ยังไม่ทำกั น, นยอยากใครที่อุปการะเราเอื้อเฟื้อเราก่อน แล้วเราระลึกไม่ได้คนนั้นใช้ไม่ได้ยังไม่ใช่คนดียังไม่มีพื้นฐานของคนดีคนที่ทำบุญหรือทำการอนุเคราะห์กับเราเอื้อเฟื้อเราก่อนมีอุปการะคุณกับเราบุคคลจาพวกแรกเลยคือพ่อและแม่พ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่ ยังไม่คลอดรู้ว่าลูกปฏิสนธิในคันแล้วเนี่ยถนอมถนอมเลี้ยงดูหมอก็เลยบอกว่าอย่าขยับแรงนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะหลุด <c oughs> แม่ก็โอ้ทำอะไรก็ต้องค่อยๆไปสองเดือนสามเดือนแรกเนี่ยทำงานหนักไม่ได้อะไรเงี้ย <c oughs> เพื่อลูก <c oughs> เพื่อลูกถนอมเลี้ยงดูลูก เกรงว่าลูกจะไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดมาเป็นคนเราได้รับความทะนุถนอมเลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยพอรู้ว่าปฏิสนธิเท่านั้นเองพ่อแม่ก็ดีใจและพร้อมที่จะเลี้ยงดูแม่แพ้ท้องเวลาลูกอยู่ในท้องเนี่ยอยากกินอะไรส่งสัญญาณไปหาแม่ได้ใคร เคยท้องเคยท้องไหมแพ้ท้องปะอยากกินอะไรฮะมักกะโรนีมะเฟืองโอ้แปลกเนาะอยากกินมาเฟืองมีใครอยากกินอย่างอื่นอีกั้มบางคนแม่ไม่แพ้ไปแพ้ที่พ่ อ, อ, อแปลกมากเลยนะมันไม่มีสายสะดือไปโยงไปถึงนะแต่มันสื่อทางใจไปถึงได้